โอ้เมื่อวานตอนประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นฝนลงเทลงเหมือนกับฟ้ารั่วเลยแ่ะเทลงขนาดหนักหลวงพ่อว่าปีนี้ก็เมื่อวานเนี่ยนะฝนในวัดของเราปีห้าแปดนะในวัดของเราเนี่ยแรงสุด จะข่าวก่อนที่พวกเราไปฉันอยู่ที่สาลาบินธบัตกลับมาวันนั้นก็รู้สึกว่าแรงอยู่แต่ไม่นานเหมือนเมื่อวานเมื่อวานรู้สึกว่าแรงมากๆแล้วก็ยาวนานอีกต่างหากแต่ก็ดีไม่มีลมแต่ฟ้าร้องโอแรงมากนะเมื่อวานนะฟ้าสนันวันไวหวน่ากลัวเหมือนกันนะฟ้านะ แต่ถ้าว่าใครไม่เคยสาบบสาบานไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกว่ะถ้าใครสาบบสาบานไว้ให้ระวังกันแล้วกันงเอาอกระมังมาคอกหมอไว้ฟ้าจะลง พ, พ่อฟ้ า, ม า, าเมื่อวานน่ยฟ้าที่น่ากลัวมากเลยหลวงพ่อเอ้ยถ้าไม่ใครไม่ได้สาบบสาบานไว้นี่ยม่นเป็นไรหรอกว่าถ้าหาว่าใครได้สาบบสาบานไว้ไว้เนี่ะนึกย้อนหลังให้ดูให้ระวังกันแล้วกันนะวะ เดี๋ยวฟ้าจะลงนะเ <c oughs> พราะเลสาวบทสาวบานว่าขอให้ถ้าไม่ข้าไม่เป็นอย่างนั้นขอให้ฟ้าฟ้าผ่าหากินก็ว่ากันไปองั้นอันนี้ฟ้าจะลงเนี่ยจะทำยังไงแต่เมื่อวานก็รู้สึกว่าโอ้ฝนตกดีมากฝนตกได้ดีแต่ลมก็ไม่มากลมนิดหน่อยในวันนี้ ช่วงนี้เราพวกเราได้ยินได้ยินสื่ อ, อบางครั้งบางคนบางเรื่องบางเราก็จะเทือนใจบางทีพ่อแม่บอกกล่าวให้ลูกแนะนำสั่งสอนลูกบอกว่าลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีนิสัยดีมีความกระตันอยู่แต่ชอบติดหมู่เพื่อน นี่แหละทำให้เสียหายพอครบหมู่พวกเพื่อนกันครบป้าประมิตรไม่ได้ครบกัลยาณมิตรตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันการครบค้าสมาคมทำให้ตนเองเดือดร้อนถึงวงสกุลได้เพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดว่าทำมันยุตานความเป็นผู้รู้จักเหตุ เหตุอันนี้คือมันเหตุมาจากไหนเนี่ยมันยังเป็นเหตุอย่างนี้เป็นเหตุสุขและเหตุทุกข์เนี่ยเป็นธรรมัญญาตาถ้าเราทําเหตุอย่างนี้ผลมันต้องออกไปอย่างนู้นถ้าเราทําเหตุดีผลมันก็ต้องดีถ้าเราทาําเหตุชั่วผลก็ต้องชั่วเราต้องอ่านเหตุเหตุที่ทำํำผลมันจะออกมาอย่างไงธรรมัญญาตาอัตถัญญาตาความเป็นผู้รู้จักผล ผลมันมาจากไหนมันมาจากเหตุอันไหนมันจึงออกมาอย่างนี้แล้วก็อัดตันยูตาความเป็นผู้รู้จักตนให้รู้จักสถานะของตนเราอยู่ในสถานะไหนเหมาะสมในการวางตัวขนาดไหนไม่ใช่ว่าตัวเองอยู่ในฐานะหนึ่งนู่นวางตัวขึ้นก้าวกายจนทําตัวดูดูแล จนน่าเกลียดอันนี้พันว่าไม่รู้จักตนและก็มัดตันยุตาให้รู้จักประมาณตนในการทํามาหาเลี้ยงชีพบริโภคเราหาเงินได้ขนาดนี้ทํามาค้าขายขนาดนี้เงินเรือนขนาดนี้เราจะบริโภคได้ใช้ใช้สอยเงินหรือว่าตัวเองที่ได้มาเนี่ยเหมาะสมขนาดไหนนั่นให้รู้จักประมาณตนอันนี้เนี่ยมัดตันยุตา การัญยุตาให้รู้จักการเวลาการนี้เวลาเช่นนี้การอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในกาลเทษะอย่างนี้การัญยุตาปริสันยุตาให้รู้จักไปชุมชนไปชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรทำตัวอย่างไรควรวางตัวอย่างไรอันนี้ปริสันยุตาปุกระประโรปรัญยุตา ให้บุกให้รู้จักคบบุคคลที่ควรครบแต่คบคนดีแล้วคบคนเลวเป็นการัญญมิตรหรือปาปามิตรให้เลือกคบตนตนี้สำคัญแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องปุคคะระโปรปรัญยาตาเพราะว่าการครบคนที่ไม่ดีก็ททำให้ตนเองเดือดร้อนเสียหายตระกูลพ่อแม่เสียหายไปด้วยเพราะเหตอะไรเพราะว่า ตัวเองไม่รู้จักการครบค้าสมาคมการครบค้าสมาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งเราต้องเลือกคบไม่ต้องเกรงใจในเมื่อเราเข้าไปคบค้าสมาคมดูแล้วอูใช่เพื่อนของเราไอ้นี่เนี่ยมันขายยาบ้ามันขายยาม마คัญชายยาฝิ่นขายของผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องรีบออกถอยออก ไม่ใช่เราจะไปเกรงใจเขา เ, าเขาชวนไปน น, นัง่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเขา น, ะนั่นแหละอีกสักวันนะพ่อแม่จะเสียใจตัวเองนะจะเสียใจเป็นอันอันดับแรกจากนั้นก็พ่อแม่วงศาคณาญาติจะเสียใจไปด้วยเพื่ออะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักการครบค้าสมาคมเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างที่พวกเราได้ยินสื่ อ, อบอกว่าลูกของข่าเนี่ดีอยู่แต่ คนอ่อนอก็เนี่ยแหละไปคบกับคนไม่ดีก็เลยพลอย ใ, ให้ไปเสียหายไปด้วยนะพ่อแม่ก็เสียใจแต่ทํำยังไงตัวเองไม่ต้องพูดอะวงศาคณา ญ, ญาติพ่อแม่เนี่ยเสียใจอย่างมากเพราะเหตุอะไรเพราะเตือนลูกแล้วลูกไม่ฟังคำออันนี้เคยเคยมีในครั้งพุท ธ, พพทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งไปคบค้าสมาคมกับ กลุ่มพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยพระเจ้าอาซาศัตรูเป็นผู้อุปถัมภ์นะพระเทวทัตก็จเจริญด้วยลาบยศอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะพระเจ้าเป็นดินเป็นผู้อุปถัมต่นี้ก็มีลุกศิธย์ทั้งฝ่ายพระพุทธทเจ้านี่ก็ไปคบค้าสมาคมไปเข้าเป็นเป็นหมู่เป็นเพื่อนเพื่อจะได้อยู่ได้กิน กับลูกศิษย์ของพระเทวทัตอแต่พระเทวทัตเนี่ยทาไม่โทุกพระสงฆ์ผู้อยู่ในสีลาจารวัฒนะมองดูแล้วไม่น่าจะเข้าไปใกล้ไม่น่าจะเข้าไปคบเว้นเสียทุกคนกลุ่มเดียวกันถ้ากลุ่มเดียวกันกับขณะเมาคบมันก็เข้าหากันได้แต่พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่านี่พระโพธิ์พระองค์นี้เนะี่อลักษณะหัวสองนก นกสองหัวด้วยะแต่คนคนสมัยหลวงพ่อว่าหัวสองนกอือ่าทันทเข้าไปคบพระพุทธองค์ก็เรียกมาเตือนบอกว่าภิกษุเธอไปคบค้าสมาคมกับกลุ่มนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเธอไม่ทาไม่ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะเธอต้องเป็นตัวของตัวเอง ถึงจะลำบากยังไงเธอก็ต้องสารวมระวังเธอเนี่นะเคยถูกลูกสอนมาแล้วในอดีตชาติเคยตายกับเพราะลูกสอนมาแล้วในอดีตชาติเพราะการครบคนที่ไม่ดีพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระองค์นี้นะไปคบกับใครจนถึง ถูกลูกสอนพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าเอ้าฟังสมัยหนึ่งมีราชสีอยู่ในถ้ำแล้วก็มีตระกูลมีครอบครัวอยู่ในถ้ำมีราชสีและกม็มีแม่แล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีราชสีห์ตัวผู้ที่เป็นลูกชายตัวพูแล้วก็มีน้องสาวเป็นตัวเมีย อยู่ในถ้ำเดียวกันทตนี้นต่อมาราชสีตัวที่เป็นลูกชายเนี่ยนะพ่อแม่ก็อยู่ในถ้ำก็หากินอยู่ในละแวกใกล้ๆแต่ราชสีตัวลูกชายเนี่ยกำลังคึกขนองกําลังเป็นหนุ่มบางทีก็คาบเก่งบักคาบกวางบางอะไรมาให้พ่อให้แม่กินอยู่ตลอดที่พ่อแม่อยู่ข้างใกล้หากินไม่ได้ ตัวเองไปหากินทางไกลได้มากำคาบมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่คือพระโพธิสัตว์นี่แต่นี่แหละคือพ ร, พระโพธิสัตว์นั้นคือพระพุทธเจ้าในท่านอยู่ในนั้นนะแต่ลูกชายของท่านนึกลูกชายของสิงโตในราชสีเนี่ยตอนนั้นก็ไปเห็นหมาจิ้งจกตัวหนึ่งพอไปกินเนื้อเก่งมาอิ่มมาแล้ว เห็นหมาจริงจอกมันเดินแผ่นผ่านโดดไล่ตะคบหมาจริงจ อ, อกอีกหมาจริงจอกนอนหงายยกขาโอ้ยอมแพ้เลยเจ้านายไอ้ถ้าจะกินจะยังไงก็ยอมมดแต่ทีงยังไงถ้าห า, าว่าไม่กินข้านะไม่นั่นนะข้าจะขอเป็นลูกน้องตลอดชีวิตขอเป็นลูกน้องขอเป็นบริวารเป็นผู้รับใช้เศรษฐีเอหรือ สิงโตโตอนนั้นมันก็อิ่มแล้วเนะี่ยราชสสีตอนนั้นมันอิ่มและอิ่มอาหารแหละเออเอาทางงั้นตะแก่จะเป็นลูกน้องเราเอาเป็นลูกน้องเรานะแต่ี่หมาจิ้งจอกตอนนั้นก็เดินตามหลังราชสีไนะพอเดินตามหลังเข้ามาถึงที่พักของพ่อกับแม่พ่อก็เลยบอกเ อ, อ้ยลูกอย่าไปคบกับคนที่เลวกว่าหมาจิ้งจอกนะไม่ใช่มิตรที่ดีนะเป็นกัน ปาประมิตรนะมันจะทําให้จิบหายนะยานะอย่าครบนะลูกนะทางลูกสียงโตที่กำกลังคึกขนองอยูน่นี่เ อ, อ้ยภาษาหมาจริงจอ่อเออมันจะทําอะไรอะไรเราไดเออ้เราเหนือกว่ามันอยู่แล้ว อ, อมีแต่เราใช้ให้มันให้เป็นหูเป็นตาให้เป็นสอดแหนมให้ไปสัตว์อยู่ที่ไหนเ อ, อเก้งกวางอยู่ที่ไหน อ, อที่เราจะ ไปตะคบไปเอาได้มันก็เป็นผู้สอดแนมห า, หาสัตว์หาสัตว์ที่เราจะไปอะไรตะคบมันเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกหมาจิ้งจอกอย่ไปกลัวมันอะไรทําไมพ่อจึงไปหาบอกกล่าวแนะนำอย่างนี้หัวดเดิอไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อแม่ไหมเพราะว่าหมาจิ้งจอกมันไม่มีไม่มีฤทธิ์มีมมมเดชอะไรที่จะทํากับเราได้ ท่านี้หมาจริงจ่เท่านั้นก็เป็นลูกน้องราชสีห์แล้วก็ไปเห็นกวางแล้วก็ไปเห็นเก่งแล้วไปเห็นควายปา่ามันก็เอาได้ทั้งหมดเพราะราชสีห์กำลังหนุ่มคึกขนองท่งนี้เขบอกเอ้กินอย่างอื่นเขากินหมดแล้วล่ะแต่อยากจะกินม้าเถอนี่นก็เลยบอกกับเจ้านายตัวเองฮ้เจ้านายกินอย่างอื่นก็กินมาแล้วแต่เขาว่าม้าเนะี่ยอร่อยนะ มันอยู่ที่ไหนมมาน่นูนี่ยอยู่ใกล้แดนมนุษย์พอนะท้ารยังกันเอาพาเราไปซิเคยเห็นไม่เคยแต่นี่เขาก็เลยหมาจริงจอกตอนนั้นก็เลยพาราชสีห์ตอนนั้นไปไปก็ไปเห็นมมาอยู่ในท่าน้ำริมบึงที่เขาเลี้ยงไว้เขาก็ปล่อยไว้นะ อย่างนั้นราชสีตัวนี้ก็เห็นม้า ก, ก็กระโดดตะครบเลยแล้วก็คาบคอลากเลยเอามาก็มาให้ให้พ่อให้แม่ปันแบ่งปันให้หมาจริงจ่อ ก, กินหน่อยหนึ่งเพรามันกินไม่มากคาบมาให้พ่อแม่พ่อแม่เห็นนะโอ้อย่าเด้อลูกนะไอ้ม้าเนี่ยมันเป็นของมนุษย์นะเป็นของพระราชานะเนี่ยไอ้พราไอ้ราชสีตัวนั้นมัน คงแก่เรียนได้ศึกษามามากแล้วนะ่ยรู้จากโลกมานานนะี่ยอย่าไปใกล้นะมนุษย์นะมันมชนีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมากนะมนุษย์นะอย่าไปใกล้นะลูกนะอย่าไปกินอย่าไปอย่าไปเอาม้านะม้านันเป็นสัตว์ของพระราชาม้าของเป็นสัตว์มนุษย์ที่เขาเลี้ยงไว้อย่าอย่าไปเอามานะลูกนะไปกินอย่างหาอย่างอื่นทางลูกชายเฮ้ยจะไปอาหากลัวอะไร แมันอะไรมันจะทันเราเราต้พบแล้วก็วิ่งไปอันไหนมันจะทันเราเรามันเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนอีกไม่ต้องกลัวทั้งพ่อนะนึกในใจนะแต่พ่อก็ห้ามแล้วห้ามอีกปรามเร็วปรามอีกอนานนานหมาจริงจอะ ก, กระยุให้หิวอยากจะ ก, กินหมาอีกเพราะในสุดปลาจี๋สีตัวนี้มันก็ไปกวนม้าของเขาด้วยเพราะานี่เป็นม้าพาณนะ ของพระราชาเวลาจะเข้าสู้ศึกสู้ศึกสงครามเนี่ยก็ต้องใช้มา้าใช้ช้างฮะก็ต้องเลี้ยงม้าไว้มากแต่นี้ราชสีไปกินมา้าเนี่ยมันติดเดือดร้อนพระราชาเลยเต็มพระราชาโอ้ไม่ได้ไปเอาม้าเข้ามาในเมืองเวลากลับม้าเข้ามาในเมืองตอนเข้ามาในเมืองแต่นี่เขาหมาก็เข้ามาในเมือง่ะเข้ามาในเมืองราชสีตอนนั้นก็ตามหาเลย ขามก็อยู่ในเมืองพอ่อเดินเมืองกระโดดข้ามกระดาษกระโดดข้ามกำแพงเลยตั้งสูงสูงนะกระโดดข้ามกำแพงเสร็จแล้วก็ไปคาบ อ, อม้านะ่กระโดดข้ามกำแพงอีกโอ้มายงมันยังขึกขนองอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็นอ้าวเตรียมนายขมังธนูนะเขาบอกขมังคันนี้กัเป็นมือเอกของปร ะ, ประเทศของเขานะในยุคสมัยนั้น นายขมัังมังกระนวลเตรียมลูกศร อ, อาบด้วยยาพิษอีกต่างหากแต่ที่นายขมังธนูก็ไปชุมกันมันเข้ามาทางไหนมันกระโดดไปทางไหนมันเข้ามาอย่างไรเขาก็เตรียมพร้อมกันหมดทั้งขาเข้าขาออกจากนั้นท่าทสษฎีตัวเนี้มันก็มาอีกมากระโดดข้ามกำแพงพอกระโดดขากระโดดเข้าเนี่ยเขาไม่ยิงนะเพราะมันมันเร็ว พอไปกระโดดเข้าไปไปได้หมาที่นี่พอได้มา้ามันหนักเนี่ยท่านเองมันได้หมาวิ่งออกมาแต่มันถึงจะวิ่งเร็วขวานาดไหนก็เถอะเพราะมันข้าบหมาใช่ไหมมันก็กระโดดข้ามกำแพงพอกระโดดในจังหวะที่มันจะกระโดดข้ามกำแพงเท่านั้นน่ะนายขมังธนูนายขมังธ น, น, นูก็ปล่อยลูกสอดเนี่ยปล่อยลูกธนูใส่เต็มเปล่าเลยไงใส่ตึบ๊บเลยร้องอากเลยท่านี่ง เราอาจะสีก็ปล่อยม้าทันทีม้าก็ตายแล้วเนี่ยแตโดดข้ามกำแพงกูวิ่งไปวิ่งตลอดเปิดเปิงเต ล, เงตลเังเปิงเปิดไปไปถึงถ้ำพอไปถึงถ้ำหรือไปถึงที่นันกันพอดีล้มก็ตายพอตายแล้วพ่อก็เลยโอ้ลูกเอ้เนี่แหละพ่อบอกไม่ฟังพ่อเตือนแล้วล ว, ว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะของพระราชาเป็นของมนุษย์ทาไมยังไม่ ไม่ฟังหนอะเพราะคบกับหมาจริงจอกหมาจริงจอกเป็นผู้ชักชวนเป็นผู้บอกให้ไปเอามา้าเพราะนั้นคบกับคนเลวคนเลวมาตายกับเพราะคนเลวหนอลูกหนอะถ้าพ่อพูดก็ไม่ฟังพ่อแม่พูดเตือนแล้วก็ไม่ฟังเพราะไปฟังเพื่อนไปฟังหมาจริงจอกเป็นผู้แนะนำ แล้วก็ไปฆ่าตัดไปฆ่าม้าของมนุษย์ม้าของพระราชาก็มาตายอย่างนี้หนอลูกหนอ้อเนี่ยนระื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคบคนดีคบกันลายานมิตรคบฆราปรโรปรันยุตาให้รู้จกักคบบุคคลที่ควครบคบคบบุคคลเช่นใดต้องใช้ปัญ ใชติใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบในการครบค้าสังคมถ้าคบคนเลวเราก็จะเลวไปด้วยเกิดความเสียหายไปด้วยจนแก้ไขไม่ได้อย่างราดสีตัวนั้นคบกับหมาจริงจอกหม้จริงจอกก็ไม่เป็นไรลูกน้องของข่าข้าจะทำยังไงมันก็ไม่มีอะไรเพราะมั น, มนลูกน้องแต่อย่าลืมนะลูกน้องบางทีก็ชักชวนไปในทางที่ มันเลวผลที่สุดก็นั้นตายเพราะลูกน้องเพราะลูกน้องชั่วได้ไปเอาหมามากินผลในสุดก็ถูกลูกศรลูกธนูของไหนนายขมังธนูของพระเจ้าพราณสีนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะการคบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญขนาดในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ลูกศิษย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตที่ออกนอกลูก่นอกทางที่ไม่อยู่ในกรอบเพราะพระองค์ยังเตือนแล้วก็เนี่ยเป็นกระสรุปว่าเนี่ยในชาตินั้นพระองค์นี่แหละพระองค์ที่ไปคบกับพระเทวทัตเนี่ยก็คือลูกของเราเป็นร้าวเสดีไม่ยอมฟังข่าวนั้นชาตินั้นแต่ของเรา ลราเนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของราชสีตัวนั้นน่ะตัวที่มันตายถูกลูกสอนในชาตินั้นเนี่แหละอันนี้ก็คือมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันนะกบแต่ละภพแต่ละชาติเนอ่อเพราะว่าตายแล้วไม่ศูญอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ำเคยกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังถ้านิสัยคนหัวดือ้อแล้วมันก็ต้องดื้อไปตลอดนะเกิดพบใดชาติใดก็อยากจะดือ้อเพราะนั้นพวกเรานะ่ให้ ฝึกหัดให้คนเป็นผู้มีเหตุผลสิ่งไหนที่มันไม่ดีถึงจะอยากจะทำอยากจะคิดอยากจะพูดก็พยายามปลังเอาไว้อย่าอย่าทำจะเป็นนิสัยพ่อ พ, พ, พวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศา ส, าสนาบวชมาเพื่อฝึกหัดดัดนิดสัยให้ไปให้เป็นคนดีให้เป็นผู้มีเหตุผลให้ยอมรับในหลักเหตุผลหลักเหตุผลก็คือหลักธรรม หลักธรรมนะคือหลักเหตุผลสินธุธรรมคือหลักเหตุผลคือหลักถูกต้องคือกฎหมายกฎหมายคือหลักเหตุผลเอาเหตุผลมาพูดกันเพราะฉะนะั้นพวกเราถ้าอยู่ในหลักเหตุหลักผลอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็นมีแต่ความร่มเย็นผาสุขวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดเรื่องนิทานชาดกเ บ, บาๆให้พวกเราได้ได้ฟังได้ศึกษาและเป็นแนวทางสาหรับ สั่งสอนลูกหลานของพวกเราอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปถือว่าเล็กน้อยถ้าเป็นคนเลวคนไม่ดีแล้วให้ระมัดระวังอย่างราชสีดีหนึ่งเกี่ยวกลาดขนาดไหนไปคบกับหมาจิงจอกพอหมาจิงจอกชักชวนนะั้นนะไปตายเพราะหมาจิงจอกชักชวนนะแนะนำเอารับพอในทีนนะอนุโมทนาให้พร